วันนี้เป็นวันที่26วันน้วันที่ย6่กมกราพุทธศักราช 2,554 ัอ่มวานหลวงพ่อก็ได้ติดต่อประสานไปทางวัดป่าบ้านตาอาการขององค์หลวงตาพวกเรารู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีคืนวานนี้ท่านแน่นแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนได้หลายอย่าง หลวงพ่อก็ถามหมอผู้ที่เกี่ยวข้องอาจารย์หมอที่เกี่ยวข้องหมอเวนหมอเขาก็ให้ความเห็นว่าเหมือนกับรถกำลังรถวิ่งวิ่งลงไปในทางลาดชันเดี๋ยวนี้มีแต่ประคองเ อ, เอาอะไรห้ามล้อไว้คือไม่ให้วิ่งเร็วจนเกินไปสุขภาพลงตาลักษณะนั้นและครับหลวงพ่ อ, อ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 อาการของลงตากดีขึ้นเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าดีขึ้นก็ดีขึ้ น, นกว่าแต่ก่อนก่อนเมื่อวานนี้ลักษณะอย่างนั้นแ่ะแล้วก็น้ําำในปอดก็มีแล้วก็น้ําในกระเพาะไม่มากน้ําในปอดไม่มากแต่มันออกไปทางช่องท้องถือลักษณะนั้นนหละ แ ล, กละกระดาษไตก็ไม่ค่อยจะทำงานปกติเท่าไหร่สรุปแล้วก็คือมันลุมมาตุ่มละเหมือนกับสงครามศึกสงครามมาพิจรารณ า, าดูแล้วที่ท่านยกเป็นอุทาหรณ์ขึ้นมาท่านว่าร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่ากายยนครนครของกาย กาย น, นาครนครของกายแต่นี้นครของกายเนี่ยมีพญาครองเมืองอคือพยาจิตรราชคือจิตใจครองกายยนครในกายในในร่างกายของเราเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วมีสองคือกายกับใจท่านก็เลยยกอุปมาอุปไมยขึ้นว่ากายยนคร แล้วก็พยาจิตรราชเป็นผู้คลองเมืองแต่พยาจิตรราชเป็นผู้คลองหนึ่งเป็นผู้ปกป้องดูแลทุกอย่างของร่างกายหิวกระหาย อ, อหนาวร้อนออง่วงนอนพาขับถ่ายทุกอย่าง เ, เหมือนกับเราพวกเราดูดูแลรถที่เราราคาแพงๆอย่างนั้น รูบๆคำคลำดูดูล้างลางเช็ดเช็ดถูถดูดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมันดูน้ำดูทุกอย่างพยายาจิตรราชเนี่ยประคบประงมกายนครเอาดีที่สุดเพราะงั้นเถอะเพราะรักที่สุดแต่ว่ามันในกายยนครตัวนี้เน่ย มันจะมีพญามัจจุราชเป็นผู้จะมาแย่งชิงแย่งชิงก้ายยนครแต่ในพญามัจจุราชเนี่ยก่อนส่งทหารชราพญาธิเข้ามาเป็นระดับระดับใหม่ๆก็ส่งกลุ่มน้อยเข้ามาตีตีดูย้มๆดูๆดส่วนพญาจิตรราชเนี่ยก่อ ส่งพญาโอสดวางั้นเถอะเข้าไปต่อต้านไปสู้ชิงเอาไว้ชิงไปชิงมาชิงมาชิงไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยส่วนพญามัจจุราชเนี่ยไม่รดลาวาสอกวังงั้นเถอะส่งทหารระดมพลเข้ามาเลยพญาจิตรราชเนี่ยก็อันไหนที่ พอจะมาช่วยได้ระดมทุนอย่างคณะหนักเหมือนกันเนงินคำรับสมบัติที่หามาได้ของราคาแพงๆที่นอกจากกายแล้วก็ระดมมาสู้สู้กับทหารพญามัจจุราชชลาพญาธิฉลอความแก่ยังไงความเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาด้วยยาอะไรยาในเมืองไทยแล้วอย่างมาแล้วยาต่างประเทศอีก ที่ไหนว่ามันดีที่สุดอา่าที่จะมาปกป้องกายยนครคเ่พยพญาโอสดพญาจิตรราชทรงทหารเอกคือพญาโอสดรักษาแต่ถึงยังไงจะรักษายังไงผลที่สุดก็ต้องยอมแพ้พญามั จ, จุราชบีบคอเขาเราหายใจไม่ออกจบไปทุกราย ในเมื่อเา้าเตะกายยนครแตกแล้วนะพญาจิตรราชก็อยู่ไม่ไหวนะเพราะกายยนครแตกก็ต้องเพ่นนะ เ, เพ่นไปหาสร้างเมืองใหม่อีกคณะที่ไปสร้างเมืองใหม่เราจะเตรียมพร้อมขนาดไหนเราจะยกผลพักไปได้มากขนาดไหนที่เขาตีเลยไล่เข้ามาแล้วถ้าเราได้เตรียมการไว้ก่อน ว่าถ้าพยามัจุราชตีเข้ามามุมไหนเราจะตีผ่าข้าศึกออกไปยังไงแล้วเราจะเอาบริวารของของเราทรัพสมบัติของเราออกไปได้มากน้อยแค่ไหนติดตัวของเราไปนี่แหละพยาจิตรราชต้องคิดวางแผนไว้แต่นอนเนินเหมือนกันไม่ใช่ว่านอนชะล่าใจแล้วก็นอนหลับไม่ได้คิดอะไร คิดว่าตัวเองจะชนะอยู่ตลอดแต่พญามัจจุราชตีอรอบด้านเข้ามาเสร็จแล้วว่ามีแต่ถ้าจะเอาเพชรนินจินดาติดตัวไปก็กลัวเขาจะเห็นผลสุรจะแก้ผ้าวิ่งไม่มีกระทั่งเสื้อผ้าพญาจิตรรัต อ, อแล้วจะไปตั้งโรครักสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้เตรียมการอะไรคิดว่าเกิดมาแล้วก็คิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดว่าบุญกุศลตายแล้วศูนย์อีกต่างหากไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรพอออกจากชาตินี้กับเหมือนเราไม่มีเสื้อผ้าวิ่งหนีจากฆาตศึกอย่างนั้น ออกจากนั้นไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์สาราสิงห์เหมือนกันบาปกรรมที่มีอยู่ก็ไปตกนรกหมกไหม้ไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ดิรัฉานไปเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมแต่ถ้าว่าพวกเราเตรียมพร้อมพวกเราก็จะต้องเมื่อเขาตีกายยนครเราจะตีวงพระผ่าออกทางไหนกับบริษัทบริบาลของเราเราจะเอาสมบัติ ติดตัวไปได้อย่างไรอันนี้เราได้เตรียมพร้อมมาไว้เราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้พยาจิตราชถึงจะออกไปทางไหนไปพยามัจจุราชก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอาชนะในส่วนนั้นได้พร้อมที่จะติดตามเัก่นั้นเองได้แต่กายยนครไปส่วนจิตตวิญญาณหรือว่าบุญกุศลที่ติด จิตติดใจของพยาจิตรราชนั้นไปกับพยาจิตรราต์อย่างสมบูรณ์ไปออกจากกายยนครนี้แล้วก็ไปสร้างนครใหม่อีกไปสร้างนครใหม่อาจจะเป็นเทวดาปลุเทวดาอินพรมหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะได้เตรียมสมบัติไปด้วย จากนั้นก็นจนกว่าจะเห็นโทษได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตวากายยนครเนื่องจะสร้างมาถึงขนาดไหนก็เถอะนะกายยนครนี้จะต้องแตกสลายในที่สุดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายหลงร่างกายนี่นะไม่ใช่หลงอื่นนะหลงกายยนคอนเห็นว่ากายกายยนครเป็นของเสร็จสวยงดงามกายยนครเป็นของ น่าอยู่แต่าตาไม่เห็นกายยนครเน่ถึงจะทนุถนอมถึงจะปกป้องดีขนาดไหนอพยาโอสถจะรักษาดีขนาดไหนอาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนกายยันท์นครนก็พร้อมที่จะแตกในที่สุดเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ อจากนั้นก็ให้เกิดความเบื่อหน่ายนะพญาจิตรราชนะอให้ให้ดูเอดูเอแล้วก็เนี่ยให้อยู่แบบสมถะให้ดูใจอย่าไปสร้างกายยนครให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกถ้าสร้างขึ้นมาแล้วเป็นเป้าหมายของพญามัจจุราชต้องดูนะแต่นี้พญาจิตรราชจะต้องดูตัวเองเทน ปัญญายจิตรราชดูตนเองพอดูตนเองแล้วเอเป็นอมพันตะธรรมอมพันตะธาตุคล้ายๆว่าหลีกลี้หนีออกจากกายยนครนั้นเป็นอีกมิติหนึ่งอคือพระนิพพานคล้ายๆว่าไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกออกมาจากมิติหนึ่งออกจากกายยนครนั้นคล้ายๆก็ว่า อย่างทุกวันนี้หนีไปโลกใหม่ลักษณะอย่างงั้นนะถ้าอยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยไม่ต้องเป็นอย่างนี้ออกจากโลกมนุษย์นี้ไปจนอวกาศของจิตของธรรมจนไม่พยายามจจุราชตามไม่ถึงพยายามัจจุราชตามไม่ถึงก็คือเนี่ยพนิพานพยายามาตามไม่ถึงเรื่อมมือไม่ถึง อันนี้ก็คือจิตของพระอาหารหันต์ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของพระอาหารหันต์เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นธ า, าตุธาตที่เป็นธรรมออกจากนี่แหละออกจากจิตวิญญาณออกจากความรู้สึกจุดนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาไปค้นคว้าในเมื่อ2องพันห้ารอกว่าปีพระพุทธองค์ไปศึกษาเรื่องของใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจาเร็จแต่ร ว, วยใจพระะนันธุ์พวกเราคณะเราทุกๆ ท, ท่านนะฝ่ายพระฝ่ายคณะศรัทธายายมทุกหมู่ทุกเหล่านะแต่ถึงอย่างไรพวกเราก็จะต้องถ้ามีกายมีจิตมีจิตมีกายพยาจิตรราชเยดูแลร่างกายเนี่ยดีขนาดไหนปกป้องคุ้มครองดีขนาดไหนแต่ร่างกายเนี่อีกสักวันหนึ่งพยามัจจุราชจะต้อง ก็จะต้องมาช่วงชิงเอากายยนครของพวกเราพญาธิมรณะ เ, เข้ามาจากนั้นนะ่ะพญาจิตรราชก็ช่วงชิงอย่างที่ว่านะั่นนะแต่ทุกครั้งต้องแพ้อแพ้พญาโอสถพญาจิตรราชส่งทหารเอกเข้าไปขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็ต้องยอมแพ้แต่มีทางออก พระพุทธเจ้าจะไปค้นคว้าศึกษาด้วยแล้ ว, ลวมีทางออกนะมีทางไปมีทางแก้ไขนี่แหละให้เดินตามมัคให้พยาจิตรราชเดินตามมักคะปฏิปทามัคคะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปโอจนถึงสัมมาส ม, มาธินี่แหละขนทางที่พยาบัจจุราชตามไม่ถึงตามไม่ทันแต่ถ้าว่าเราไม่เตือนตามนี่เลยเราจะวกวนเวียนจีเก่งกล้าสามารถถึงขนาดไหนก็เถอะ ถ้ามาเกิดด้วยเทัปฏะสงสารเนี่ยไมออ่ไม่เหนือหนีไม่พ้นพยามัจจุราชที่จะต้องจัดการกับพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราเออศึกษาธรรมะปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนา เ, ออเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งออสำหรับทำคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่จะตัดภพตัดชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดกั็นเรื่องภาวนาแต่เรื่องทานเรื่องศีลนั้นมันเป็นเรื่องที่หนทางหรือว่าเป็น พ, พึ่งพาอาศัยในการเป็นอยู่โชครั้งโชการเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าพวกเรายังอ า, อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็หนีจากวัฏฏบวนไม่ได้แต่ถ้าเราอาศัยสิ่งเหล่านี้ แต่เพื่อหวังสิ่งเหล่านู้นคือความพ้นทุกข์นะคือภาวนาจิตภาวนาสมาธิขปัญญามีสมาธิขปัญญาเนะี่ยมันก็ต้องอาศัยศีลเมื่ออาศัยศีลคือกฎระเบียบจากน้นอาศัยศีลก็ต้องอาศัยทานการเป็นอยู่ถ้าเราไม่มีผลทานคือการเป็นอยู่ชีวิตของเราทุกข์ ก, กระทำลาบากหาข้าวจะกินหาผ้าจะนุ่งหม่ม ก็ไม่มียาแก้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไม่มียาแล้วเป็นยังไงเราก็อยู่ด้วยความลำบากเพราะนั้นอันนี้สงทานเนี่ยต้องมีและอันนี้สงสิณก็คือกฎระเบียบการอยู่มีกติกาไ ม, ม่เบียดเบียนปซึ่งกันละกันอันนี้ก็คืออันนี้สงสิณอันนี้สงภาวนาพูดถึงด้านจิตใจแล้วนะคือนะความนึกคิดเทนะเรื่องภาวนาเรานึกคิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิ นึกคิดอย่างไรเป็นมิจฉาทิฐิจ้ะต้องเดินตามมักแหละแต่นี้ต้องใช้ปัญญาคลี่คลายด้วยหลักเหตุผลจากนั้นเมื่อเราพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาของเราแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจของเราก็เหมือนตะก่อนเราโงา่เราอ่านหนังสือไม่ออกเราไม่อ่านคิดเลขไม่ได้แต่นี้บัดนี้เรามาศึกษา ตามแนวแถวของพุทธะเละตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนวิธีการอ่านวิธีการพูดวิธีการเราก็เฉลียวฉลาดรู้รู้วิธีการไอความรู้จุดนั้นอ่ะที่รู้อ่ะไอความโง่ที่เราไม่รู้มาแต่ก่อนมันก็ตกไปมันก็หายไปมันหายไปไหนไม่ทราบมันหายออกจากใจเนี่ยแต่รู้อ่ะมันรู้มาจากไหนรู้มาจากใจนี่แหละอันนี้ทำ มาอันบริสุทธ์ก็จะผุดขึ้นมาจากความโง่นะั่นคือความไม่รู้อวิชชาคือความโง่แต่วิชชาตัวรู้นี่เกิดมาจากตัวอวิชชา น, ะนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในที่ไหนสรุปแล้วก็อยู่ที่ใจแต่ให้ก่อนแต่ใจโง่ทีนี้เมื่อเรารู้ก็ใจก็ฉลาด ใ, ใจหลุดพ้นจากอาสวกิเลสนะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พ